ท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินคำว่าระลึกชาติได้ระลึกชาตินี่หมายถึงจดจำรำลึกว่าตัวเองเคยเกิดมาแล้วชาตินึงแล้วก็เสียชีวิตไปกระทั่งมาเกิดในชาติปัจจุบันเมื่อเกิดใหม่ครั้งนี้ก็มีสัญญาความจำติดมาจำได้ว่าชาติก่อนตัวเกิดเป็นใครมีพ่อแม่ญาติพี่น้องชื่ออะไรมีบ้านช่องที่พักอาศัยอยู่ที่ไหนผู้ระลึกชาติได้แต่ละท่านจะมีความทรงจา ไม่เหมือนกันบางท่านก็จำได้มากบางท่านก็จาได้น้อยแต่ก็สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการระลึกชาติได้จริงๆคือมันมีอยู่สองอย่างทางที่หนึ่งมีความจำเกิดขึ้นมาเองทางที่สองเกิดจากการเจริญกรรมฐานกระทั่งได้อภิญญาญาณในข้อปุเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอย่างรู้อดีตชาติได้สำหรับคนระลึกชาติที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังวันนี้แปลกว่าคนระลึกชาติหลายอื่น คือมีความทรงจำลํำลึกได้ว่าอดีตชาติของตัวเป็นลิงครับแล้วก็ไม่ใช่ลิงธรรมดาแต่เป็นหัวหน้าฝูงลิงอยู่ที่สารพระการจังหวัดลบบุรีบุคคลผู้นี้ชื่อเด็กชายลำไยนามสกุลดอนสูงเนินครอบครัวเขาเด็กชายลำไยอยู่บ้านนาเรียบตำบลขามเท่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพ่อเขาชื่อในชนแม่ชื่อนางเกลียง การระลึกชาติได้ของเด็กชายลำไยแพร่ออกไปเนื่องจากผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ดาวสยามประจําจังหวัดนครราชสีมาทราบข่าวว่าเด็กชายลำไยระลึกชาติได้ก็เลยไปสัมภาษณ์ได้รายละเอียดมาแล้วมาลงในหนังสือพิมพ์เด็กชายลำไยเริ่มจดจําระลึกอดีตชาติของตัวได้เมื่อมีอายุสามขวบโดยพูดให้พ่อแม่ฟังบ่อยๆว่าตัวเองเคยเป็นหัวหน้าฝูงลิงที่ศาลเจ้าพ่อประการจังหวัดลบบุรี ตอนแรกพ่อแม่ก็คิดว่าเด็กพูดจาเพ้อเจ้อก็ไม่ได้สนใจนะักแต่เด็กก็มักจะพูดถึงตอนเกิดเป็นลิงบ่อยมากนายชนและนางเกลี้ยงก็สงสัยว่าเด็กจะพูดความจริงเพราะว่าครอบครัวไม่เคยไปจังหวัดลบบุรีแม้แต่ครั้งเดียวโดยเฉพาะที่ศาลเจ้าพ่อประการนี่ไม่เคยไปเห็นไม่รู้ว่าสถานที่มีรูปร่างลักษณะยังไงสุดเลยซ้ำเมื่อเด็กชายลําไยไม่เคยไปจังหวัดลบบุรีไม่เคยเห็นศาลเจ้าพ่อประการจะกลับพูดถึงลักษณะศาลได้อย่างละเอียด เหมือนกับเคยอาศัยอยู่ก็เลยทำให้พ่อแม่แปลกใจมากเด็กชายลำใหญ่ก็มักจะรบร้าให้พ่อแม่พาไปจังหวัดลบบุรีบ่อยๆ บ, บอกว่าคิดถึงลิงลูกน้องแต่ว่าฐานะของนายชนนางเกลียงในค่อนข้างจะยากจนก็ไม่สามารถจะพาลูกไปพิสูจน์ความจริงได้กระทั่งพาเด็กชายลำใหญ่มาเยี่ยมญาติที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มาเจอกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ดาวสยามที่ว่านี้ ขณะที่เด็กชายลำยัยมาพบผู้สื่อข่าวเนี่ยเขามีอายุได้แปดขวบแล้วแต่ความทรงจําในอดีตยังไม่เลอะเลือนหายซึ่งผู้ระลึกชาติได้เองเนี่ยส่วนมากมักจะมีความทรงจําอยู่ชั่วระยะสั้นๆคือมีความจําได้หมายรู้ตั้งแต่พูดได้ไปจนกระทั่งถึงอายุหกขวบจากนั้นก็มักจะจําเรื่องราวในชาติอดีตไม่ค่อยได้ความจําส่วนนี้จะเลือนหายไปกระทั่งจําอะไรไม่ได้เลย ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ารู้จักสารประการหรือเปล่าเด็กตอบไม่ลังเลบอกรู้จักถามว่าที่สารประการมีอะไรบ้างเด็กก็บอกว่ามีรูปเจ้าพ่อมีต้นไทรใหญ่อยู่2ต้นแล้วก็มีลิงอยู่ในบริเวณนั้นเยอะแยะแล้วที่สารประการยังมีการเล่นลิเกแก้บนทุกวันทุกวันก็จะมีคนใจบุญเอาผลไม้มาแจกให้ลิงกินผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกว่าขณะที่เด็กชายลำใยญ่เป็นหัวหน้าฝูงลิงนะ่ะทำยังไงบ้าง เด็กก็ตอบว่าเมื่อเป็นหัวหน้าลิงก็จะทําหน้าที่แบ่งอาหารให้พวกลิงบริวารกินไม่ให้แย่งกันบางครั้งอาหารมีน้อยก็ต้องแบ่งให้ได้กินอย่างเสมอภาคกันเช่นมีกล้วยใบหนึ่งก็ให้ลิงสามตัวไปแบ่งกันกินผู้สื่อข่าวถามว่านอกจากอยู่ที่สาระ ก, การแล้วไปอยู่ที่อื่นบ้างไหมเด็กก็บอกว่าไม่เคยไปอยู่ที่อื่นนอกจากไปเที่ยวเช่นไปเที่ยวที่สะแก้วปรางษามยอดโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลัยซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากสาระ ก, การแต่ว่า ที่ไม่เคยไปก็คือสถานีรถไฟผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทำไมถึงไม่ไปเที่ยวสถานีรถไฟเด็กก็บอกว่าลูกน้องไม่ให้ไปสำหรับสถานีรถไฟนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าลิงที่สารเจ้าพ่อประการไม่กล้าไปป้วนเปี้ยนเที่ยวสุกสนเมื่อก่อนนี้เคยมีลิงไปที่สถานีรถไฟแล้วไต่ขึ้นไปเล่นบนหลังคาตู้รถไฟพอรถไฟเคลื่อนขบวนออกจากสถานีก็ทาให้ลิงติดไปบนหลังคารถไฟด้วย ทำให้ไม่รู้ว่าพาลิงเคราะร้ายไปถึงไหนไหนไม่สามารถจะกลับมาที่ลบบุรีอีกอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ก็ทําให้ลิงที่สารประการไม่กล้าไปที่สถานีรถไฟก็เป็นได้เด็กชายลําไยเล่าต่อไปว่าตัวเองหมดชาติเป็นลิงเมื่อสิบปีที่ผ่านมานวันที่ตายเป็นวันเกิดพายุใหญ่ต้นไทรเก่าแก่บริเวณสารเจ้าพ่อประการถึงกับโค่นลม้มแล้วตัวก็ไปสิ้นใจตายในสารเจ้าพ่อประการ ตายไปสองปีให้ไปเกิดเป็นลูกของพ่อชนแม่เกลี้ยงที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อโตขึ้นก็พอรู้ความก็จําได้ว่าตัวเองเคยเป็นลิงในชาติก่อนมีความคิดถึงพวกลูกน้องบริวารซึ่งยังเป็นลิงมากขอร้องให้พ่อแม่พาไปที่ศาลเจ้าพ่อประการจังหวัดลบบุรีพ่อแม่ก็ไม่พาไปนี่คือผู้ระลึกชาติอีกคนหนึ่งซึ่งยืนยันอดีตชาติของตัวเองว่าเป็นลิงน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดลงลึกมากกว่านี้ คือไม่ได้มีการนำเด็กเดินทางไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ศาลเจ้าพ่อประการจังหวัดลบบุรีหากมีการนำเด็กไปยังสถานที่เกิดเป็นลิงในอดีตชาติก็อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้การนำเสนอเรื่องราวของผู้ระลึกชาติให้แก่ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับเป็นการยืนยันให้ตรักว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นไม่ใช่เรื่องที่ควรประมาทมองข้ามแต่ละคนนี่เกิดตายมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ชาติตอกี่ชาติ แล้วก็ไม่อาจจะยังรู้ได้เลยว่าเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ก็ได้ทั้งนั้นแล้วยังจะต้องวนเวียนตายแล้วเกิดอยู่อย่างนี้อีกต่อไปตราบใดที่ยังมีกามมีภพมีทิฏฐิมีอวิชชาครอบงาอยู่เกิดในชาตินี้ดีแล้วครับที่ได้มาเป็นมนุษย์สามารถเลือกการกระทําของตัวเองได้ทุกอย่างทาดีทำเลวก็ได้ทั้งสิน้นแล้วก็จะเลือกไปเกิดที่ดีหรือที่ไม่ดีก็ได้อีกครับ เพราะฉะนั้นเมื่อฟังเรื่องของผู้ระลึกชาติผ่านไปแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายย่อมเกิดสติปัญญาอย่างแน่นอนครับเรื่องของการเวียนไหยตายเกิดในี่ท่านผู้ฟังผมมีข้อมูลจากบันทึกการค้นคว้าของศาสตราจารย์ดรคลุมวัชโรบล ท่านพูดถึงแม่ชีปฐมวันอินทนูที่เกิดในครอบครัวชาวนาจังหวัดนครศรีธรรมราชบิดาชื่อในเพียบมารดาชื่อสีนวลเมื่อตอนที่บิดาอายุมากนี่ได้บวชเป็นพระภิกษุจำมันสาที่วัดเสมียนแม่ชีปฐมวันซึ่งเป็นลูกเนี่ยมีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็ก จิตใจอ่อนโยนเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเมื่อเจริญเข้าสู่วัยสาวจิตใจก็ยิ่งน้อมเข้าหาทางธรรมมากยิ่งขึ้นกระทั่งตัดสินใจบวชเป็นชีแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดชายนาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะปฏิบัติธรรมแม่ชีปฐมวันได้มุ่งมั่นในการเจริญกรรมาฐานอย่างแน่วแน่จริงจังผลแห่งการบำเพ็ญเพียรทางจิต ทำให้แม่ชีปฐมวันบรรลุถึงยานขั้นปุปเพนิวาสานุสติยานคือยานอย่างรู้ในอดีตชาติของตัวการระลึกชาติได้ด้วยยานนี้แม่ชีปฐมวันสามารถรำลึกย้อนหลังกลับไปเห็นอดีตชาติของท่านถึงห้าชาติยิ่งระลึกรู้การเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วหลายชาติก็ทําให้แม่ชีมีความสลดสังเวชต่อภาวะที่ต้องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นสุด แล้วก็ทุกชาติที่เกิดมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสิน้นแม่ศีปฐมวันได้นําเรื่องอดีตชาติของท่านมาแสดงเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติแก่สารทุกชนทั้งหลายจะได้ไม่มัวเมาอยู่ในความประมาทไม่ดําเนินชีวิตไปด้วยความผิดพลาดแล้วก็ไม่สนใจใยดีต่อการประกอบกรรมดีด้วยเห็นว่ากระทําได้ยากหากว่าหลงมัวเมากับกรรมชั่วกรรมเลวเนื่องจากกระทําได้ง่ายแล้วก็ยินยอมให้อํานาจฝ่ายต่ํา จุดรั้งผักดันให้ตัวหลงอยู่ในกิเลสรายจนกระทั่งถึงวันตายพอตายไปแล้วจิตวิญญาณย่อมไปรับวิบากซึ่งมีความทุกข์ทรมานแสนสาหัสคอยบีบคั้นอยู่เมื่อวิบากเบาบางผ่อนคลายมีโอกาสมาเกิดเป็นคนอีกก็เป็นคนต้อยต่ําได้รับแต่ความอดอยากลําเคยนสารพัดมีชีวิตซึ่งเป็นทุกข์ยิ่งกว่าคนอื่นที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าเมื่อมีชีวิตในชาติปัจจุบันไม่ยอมอไม่ยอมสร้างสารรค์ความดี หลงอยู่ในความชั่วอย่างน่าสีได้กา ร, ระลึกชาติของแม่ชีปฐมวันในแต่ละชาติท่านเล่าไวเ้เพียงคร่าวๆเนื่องจากเหตุการณ์ได้ผ่านไปเนิ่นนานแล้วก็เป็นการยากจะหาหลักฐานมายืนยันเช่นการเกิดชาติที่หนึ่งท่านบอกเพียงว่าเกิดเป็นมนุษย์ชาติที่สองเป็นมนุษย์มีพ่อเป็นครูชื่อสำรันแต่ว่าแม่ไม่ได้บอกชื่อไว้เมื่อตายในชาตินั้นแล้วก็มาเกิดใหม่ในชาติที่สาม ผลแห่งบิบากทําให้เกิดเป็นลิงในชาติที่สี่ก็เกิดเป็นลิงอีกการกําเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้กล่าวได้ว่าเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสัตว์โลกชั้นต่ํามีสมองอยู่ในจจกีดจํากัดสติปัญญาไม่อาจจะเทียบเคียงกับมนุษย์การดําเนินชีวิตและปัญญาความคิดเป็นไปในกรอบสัญชาตญาณเท่านั้นเมื่อเผชิญกับภัยทางธรรมชาติก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงและแก้ไขได้ ฝนตกฟ้าขนองก็ต้องเปียกปอนหนาวสั่นอากาศหนาวหรือร้อนก็จําเป็นต้องยอมทนการส่อหาอาหารก็เป็นไปได้วยความยากลําบากยิ่งเป็นสัตว์กินหญ้าและเป็นเหยื่อของสัตว์กินเนื้อก็ยิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวไม่รู้ว่าเวลาไหนจะถูกเข็นฆ่าด้วยเกี้ยวเล็บของสัตว์อื่นเมื่อแม่ชีปฐมวันรู้เห็นความเป็นไปในอดีตชาติของตัวเองโดยเฉพาะในชาติที่เกิดเป็นลิงท่านยิ่งรู้สึกสังเวชใจเป็นทวีคูณ ทางเดียวที่จะหนีพ้นการเบียนบ้ายตายเกิดก็คือต้องชำระขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นในชาตินี้เท่านั้นแล้วท่านก็ได้มานะพยายามอย่างไม่ยออ่อท้อการเกิดมาในชาติที่ห้าเป็นชาติที่มีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนมากที่สุดเพราะเป็นการตายจากชาติก่อนแล้วมาเกิดใหม่ในปัจจุบันต่อเนื่องไม่ได้ทิ้งช่วงแม่ชีปฐมวันก่า ว, ว่าการมาเกิดใหม่ในชาติที่ห้านี้เป็นลูกของกันันพัดนนามสกุลเปิงคุย แม่ชื่อจำเนียนบ้านอยู่ใกล้วัดไสยงามตำบลดอนมาสังอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลูกคนที่สองแต่เกิดมาแล้วมีอายุสั้นคือมีอายุแค่สิบเดือนก็เจ็บไข้ไม่สบายมีอาการอาจเจียนอย่างรุนแรงแล้วเสียชีวิตด้วยโรคนี้เมื่อตายแล้วผู้เป็นพ่อได้นำศพไปฝังฝังไว้นาน18เดือนถึงได้ขุดศพขึ้นมาเผาแม่ชีปฐมวันเล่าว่าขณะที่ขุดศพจะไปเผาเนี่ยได้พบปลาไหลขนาดใหญ่อยู่กบับศพ คนขุดจะจับปลาไหลไปกินแต่พ่อห้ามไว้ซึ่งเรื่องนี้มีเฉพาะคนที่ไปขุดศพเท่านั้นที่รู้เรื่องการระลึกชาติได้ของแม่ชีปฐมวันมีผู้รับรู้ในวงแคบๆเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อใดที่แม่ชีได้รับเชิญให้ไปกล่าวอบรมเรื่องศีลธรรมและธรรมปฏิบัติท่านถึงจะเล่าเรื่องการระลึกชาติของท่านสอดแทรกเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ตระหนักถึงการเวียนว่ายตายเกิดและวิบากกรรม แต่แล้วเรื่องการาระลึกชาตินี้ก็ได้รับการพิสูจน์ยืนยันอย่างบังเอิญก็คือครั้งหนึ่งคุณพินิษเกษาได้ไปทอดกระถิ่นที่จังหวัดอ่างทองในเดือนเมษายนแล้วก็มีแม่ชีปฐมวันร่วมคณะไปด้วยทอดกระถิ่นที่อ่างทองแล้วก็เดินทางต่อไปที่สุพรรณบุรีที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แม่ชีปฐมวันได้เล่าเรื่องการาระลึกชาติของท่านให้ประชาชนฟังแล้วก็ได้มีโอกาสพกบกับกำนันพัฒนและนางจำเนียน แม่ชีเห็นหน้าพ่อแม่ในอดีตชาติก็จำได้และมีการพิสูจน์ขึ้นโดยพ่อแม่ในอดีตชาติตั้งคำถามให้แม่ชีปฐมวันตอบห้าข้อคือหนึ่งตายเมื่อไรสองเป็นโรคอะไรสามเผาหรือฝังสี่มีพี่น้องกี่คนห้าบ้านอยู่ที่เดิมหรือเปล่าปรากฏว่าแม่ชีปฐมวันตอบถูกต้องทุกข้อกำนันพัดกับ น, นางจำเนียนถึงกับ หลังน้ำตาด้วยความปิติยินดีสำหรับนางจำเนียนนั้นโผเข้าก่อนแม่ชีนัน่นแล้วก็เชื่อว่าลูกที่ตายไปในมะเกิดเป็นแม่ชีปฐมวันจริงๆกำนันพัดและนางจำเนียนพาแม่ชีปฐมวันไปที่บ้านแม่ชีเห็นรูปภาพใส่กรอบแขวนไว้ที่ฝาบ้านก็ชี้บอกว่ารูปภาพเหล่านั้นเป็นภาพใครอย่างถูกต้องทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแม่ชยียังบอกอีกว่าตอนไปขุดศพเพื่อที่จะเอาขึ้นมาเผานั้น เจอปลาไหลตัวโตคนขุดจะเอาปลาไหลไปกินแต่กำนันพัดห้ามไว้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญเพราะว่ามีคนรู้ไม่กี่คนแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าแม่ชีปฐุมวันระลึกชาติได้จริงการระลึกชาติได้ของบุคคลจำนวนหนึ่งที่ได้รับการบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานกล่าวได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับข้อพิสูจน์และยืนยันว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริงผู้ซึ่งยังมีทิฏฐิมานะไม่ยอมเชื่อในศัจธรรมข้อนี้ ควรจะได้นำมาพิจารณาไตรตรองเพื่อประโยชน์ของตัวครับ